าสาธุชนพัฒบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์ ส, สมณี น, นทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23สามกรกฎาคม2527ั้าอย่สอาการป่วยไข้มาสมบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี่หมอให้นํำเกลือเป็นหนึ่งีแต่ว่าอาการทางร่างกายยังโรอยู่มาก วันนี้ถ้ามีการข่าวสเสล็์แกรบเไก็ต้องขออภัยด้วยพ่ายังอยู่ในระหว่างการป่วยไข้ไม่สบายแต่ก็พูดวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแร่ยูเรเนียมความจริงแร่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจ ก็ในประเทศไทยยังมีหรือไม่มีถ้าความจริงพักทรัพยากรต่างๆเนะี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าทาจิตมีกังวลแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเขาห น, หน่อยหนึ่งใจมันก็รู้ของมัน เ, นเองอาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนบิณฑุสมัมเทนธิ์พระาชาญาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐแล้ว ความรู้สึกหรือว่าคำว่าทิฏฐกุญญาณที่เราได้ได้กันนี่มันเป็นเศษผงๆเล็กๆที่พระอรหันต์ท่านได้เท่านั้นแต่ก็ยังดีสมไมว่าเราจมีความรู้อย่างเป็ดเป็ดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ไว่ายน้ำได้ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ด ที่เขาทำหลอกไว้ยังไงยังไงเขาจะรู้จักคาว่าเดินไปยังไงไว่ายน้ำไปยังไงดาน้าดาน้ำไม่หมดตัวจุ่มแค่หัวก็ถือว่าการดําน้ำ <c oughs> <c oughs> บินก็ได้ที่บินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้องก็ยังดีกว่าเป็ดพระสติเหืือเป็ดเป็ดปูนพลาสเตอร์เป็ดปูนซี เ, น เ, เ, นเมน เราเปิดแก่สลัก้วยไม้ซึ่งใช่อะไรไม่ได้เลยกลวงความในการฝึกทิศกุยยนของพวกเราค่อยๆทำไปอย่าประมาทอย่าคิดว่าความดีเราดีเสร็จแล้วนั่นไม่ถูกต้องถ้าว่าท่านอยากถามว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะปลารพความจริงว่าพวกท่านเนี่ย ต่ารรดา ย, ย่าโจมท้งลายนี่เก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานแต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปสตั้งแต่อายุเจ็ดปีเจ็ดปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงาตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นนอนบ้านไหนขึ้นแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแล้วกี่คน แล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสำคัญแต่ที่รู้ในผมก็ไม่ไม่ทำให้รู้มันรู้ขึ้นมาเฉยๆสำหรับคนตายเวลากลางคืนเข้ามาแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็บอกเขาชื่อ น, นั้นชื่อ น, นี้เป็นอะไรเกเจ้าของบ้านแล้วก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วย นี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาเแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้ไมาจากอะไร <c oughs> แต่เหตุที่เพิ่งทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุทโธก่อนหลับก่อนที่จะหลับจริงๆอย่างน้อยแต่ว่าให้ท่านฟังสามครั้งและต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระ ผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึ่งคือว่าผมจับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราควรมีความพอใจนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอเวลาเดินไปไหนผม ก, ก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกและจะไปไหนทำอะไรก็ตามถ้าว่างจะพารากิจนิดเดียวจิตผมก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอก แล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองอีกองหนึ่งก็เห็นไวเป็นปกติท่านี้มีความสมําคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมาภาพนั้นจะปรากฏกับจิตทธนธันทีถ้า <c oughs> ถ้าท่านอยาจะถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ <c oughs> ก็เห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจะ ก, กายงานต่างๆคนจิตพวก มันเห็นด้วยอตัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอยอื่นมันจะเห็นภาพพระรูปเข้ามาทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริงบังคับเลยหเห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่ <c oughs> การทําอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่ายังไงแล้วก็สงสัยบางทีไม่สงสัยเห็นภาพนั้นเลย อันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพ้าแต่ก็จงยางนึกว่าเลิเศทวัสสอยางครับเป็นชั้นอนุบาลเท่านั้นความดีนี่มันจะสลายตัวเมื่อไรก็ไม่ทราบและต่อมาเรื่องนิพุธของแรย่ยูเรเนียมผมก็จำพอสอไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดู ว่าพอสอเท่าไรก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคําของพระองค์หนึ่งมันบอกว่าที่ลําปางมีแร่ยูเรเนียมถ้าก็แผนที่มาให้ดูไอ้ท่องแผนที่แผนทางนีนผมไม่เข้าใจในมันเลยผมไม่สนใจก็เลยบอกเธอว่าเอานี้ก็เลยกันพอถ้าพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่พวกเขาลูกนี้มันมีสองจดุด แต่ว่าสองจุดนี้มีปริมาณไม่สูงแต่อยู่ตื้นถ้าเจาะขุดลงไปจะจะไม่ลึกถ้าเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมากเพราะมันอยู่ตื้นอีถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกันแต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มแย่สั่นน้อยๆผมก็ไม่รู้เขาวัดกันด้ยอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มเข็ม ผมบอกท่านแล้วผมก็ไม่เชื่อแน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นไงผมบอกตามนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมนึ ก, กว่าท่านจะกลมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นท่านกลับมาบอกไปแล้วครับแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอ๋หนอ ความรู้ที่สมเด็จพระสมัมมาวุฒิเจ้าทรงประทานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันถึงเรื่องเรือแรกไล่ยูเรเนียมมีที่ไหนบ้างผมก็เรียนเช่อว่าเอางี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทำไม่ได้เพราะเรายะไม่ทราบว่าใครที่ไล่ยูรูรเนียมเข้ามาได้ต่อมากลับมาถึงวัดเรื่องต่างๆนี่คุณทั้งหลาย ถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจำมันจิตจำมันได้ผมนั้นเลิกจำแต่มันจะจำของมันก็เป็นอนุว่าเมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมอย่างมันมัค้างอยู่พ่อารมณ์สงบใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับคือนั่งเล่นๆ ล, ลมพัดเย็นๆใต้ต้นสตือ ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแร่อยู่เรเนี่ยมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความารู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึงสิบหกจุดในประเทศไทยแล้วก็สราบอารมณ์จิตก็บอกเปก็นการประจุดย่อยๆยังมีเยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร คือคาไม่มีประโยชน์หมายความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ปีนั้นจำได้ปีที่รู้หนะักที่รู้วันแรกอยู่นิ่มมีมากคงจะเป็นพศสองพันห้าร้อยสิบหกละมั้งผมจำประจาวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำ แต่ว่าเมื่อปีพศ .2516 ควา ม, มุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหมที่เขามีความสามารถยังได้อยู่ในเนียมถ้ามีก็จะดีมากความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> เรื่องรแรกอยู่ในนียมขึ้นมาใช้แดึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนใจบุคคลนั้นมาพบภายในสามวันแต่ก็เรื่องน่าส จ, จันวันที่สามกานอนเล่นลมพัดเย็นใต้ต้นสตีเหมกันเวลานั่งกระแสว้ฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกแดกก็ กลางวันเขามาขอใจใายจายกลางคืนเป็นต้น <c oughs> แล้วก็กำลังอาศัยไฟก่อนน้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยรมธรรมชาติโคนต้นไม้ไปสบายก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึงสี่สิบผู้เราขาวหน้าตาดีนั่งรถเม์ผ่านมา ว่ริ่มเมย์มาถึงวัดหลังวัดแล้วก็ลงลงแล้วก็เดินขึ้นมาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอธัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มนวลน่ารัก <c oughs> พูดจาก็ดีคุยไปคุยมาผมก็สงสัยในท่านว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีเคลื่ออะไรสักอย่างมาคุยเฉย ก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถน้ำแร่อยูเรเนียมไหมก็ถามท่านทว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนําแร่อยูเรเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแรแ่จะบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศแร่ทุกประเภทพวกมีความเข้าใจพวกศึกษาเรื่องแร่สาหรับแร่อยูเรเนียมเนี่ยเอาขึ้นมาได้แน่ครับ <c oughs> เอาขึ้นมาได้แน่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ้นมาได้เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากตาธธ่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกถ้ามีความมั่นใจแต่ท่านบอกว่าถ้าจะนําขึ้นมาต้องเพิ่มคากระแสไฟฟ้ากำลัง ไ, ฟ, ไฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกําลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสฟ้ายิงเป็นจังหวะจังหวะให้ลังสีมาห่อตัว ผมก็ขอพูดทิ้งไว้ตรงนี้ <c oughs> เป็นแล้วว่าก็ปลื้มใจว่าเอ้ประเทศเราคนที่มีความสามารถยังมีอยู่จากนั้นนเมื่อโอกาสดีจังหวะถึงการเวลาเข้ามาถึงแร่ยูเรเน่องคนทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพอสองพันห้ารอยี่เจ็ดไปประมาณสองสามปี <c oughs> ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายร่างกายมันก็ซุโซมป่วยๆนั่งรับแขกบันนั้นเป็นการบางอื่นญาติโยมพุทธบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เท่ามาสามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เท่าสามสี่คนจะ ก, กลับก็มีเด็กเด็กสาว เธอหน้าตาอ ย, ย่างสาวแต่งงานแล้วอยังกับไม่สาบเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้ไม่กันใช่และไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าของเธอเรื่องคนนี้ผมขี้เกียดสงสัยเธ อ, อว่ายัางไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารักตนประเทศไทยมีแลอยู่ระเนียมไหมก็อบอกเธอว่า ฉันไม่ได้สำรวจละเอียดแค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบหกแห่ง <c oughs> แล้วก็ป็นแร่จูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทยนี่มีไหมหลวงพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามว่าหนู คณะของหนูห้าคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยพวกเธอก็ทากองรั บ, บกอกใช่เจ้าการถามว่าหลวงพ่อทําไมยังรู้เรื่อบอกหลวงพ่อก็เลุ่นแก่ก็เดาๆถ้าเธอมรลบที่ไหนเสน้นว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแกบอกก็บอกไปมาแล้วเลยยอมรับแต่ว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปนี่มันหมายถึงว่าถึงไม่น้ำเมือยกันเลยนะ พุ่งตรงไปนี่หรือจะจะใกล้เมืองไกลก็ได้มียอร์ยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นนะเกรดดีมากกรงความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งจะบ้านลับๆไม่มีใครเขาว่าบ้ามากๆมันก็บ้านน้ํามันเพราะบ้าน้นํามันนี่ผมถาวายไปปอนแดบพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ลงเป็นหนังสือเลยบ้ายาวไปหน่อยบ้าไกลบ้ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอสองสามพันห้ารอยิบสี่ผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากับตุมกระถิงก็ตุ้มกระถิงมาเรื่องแรกอยู่เรีอเนียมแล้วต่อมาก็เรื่องทอง ที่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆอย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาวพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายัางไงผมไม่รู้ถ้าให้ผมไปขุดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าตอนนี้เพราะผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าของเพชรหลับลอยเห็นก็เป็นห็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคำธรรมชาติ หรือทองคำที่เขาถลุงหลอมแล้วแต่ว่าทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็ตามว่าในพื้นบีพบภายใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม <c oughs> ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าใจยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลก เมื่อเราถ้าติดยในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกข์ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจรเราควรจะวางอารมณ์เสียไม่ควรจะยุ่งรู้ไปเชื่อไปจะเรื่อง <c oughs> แต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันก็เกิดอารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตามคติของโบราณ รูว่าจะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคําธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีทั้งเหลืองแต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่เท่ากับไม่ใช่าทองคําก็เยอะไป <c oughs> เวลานี้เขาก็ทํากันได้สีสวยกว่าทองคำํำ <c oughs> แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคามีค่าสูงฉะนั้นทองคาจะมีความสำคัญสำหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคาเป็นสาคัญจะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคำเก็าไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตดูนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บ อีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันเลยคุณนะบันดาท่านทีรับฟังละญาติโยมพูบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้้ <c oughs> ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีมีแล้วไม่มีก็ไม่ทาบ แต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคําไม่มีแน่คนจะเล่าเรื่องราเรื่องขุดทองคำของพระท่านหนึ่งก็ยาวเหยอะเกินไปเขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนที่หลังท่านนึกได้ก็คุยเป็นวันวนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมาหลังจากนั้นแล้วไม่นาน <c oughs> มันเด็เวลาการประมาณเดือนเจ็ดเขาเรียกเขาเดือนเจ็ดก็แล้วกันเดือนพฤษภาไม่ทุนนาทไม่ต้องโกรกกันอะ เอาเดินแท้ๆเดินไทยแท้ๆคือเดินเจ็ดก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณจะเหลืองคงทองเธอคุดมนุษย์ประจำปีแต่ว่าเวลานี้ไม่จะไปไปสองสมปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนก็นมาฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงด ไปบ้านคุณจะเหลือมคงทอนแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแสะนายโคยเขาเรียกอำเภอท่าแสะนะแล้วไปหมู่บ้านก็ไกลถึงหมู่บ้านไม่โต <c oughs> ตัวบ้าคันก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหว้ประจำปีทำบุญประจำปีกัน แั่นแปลเพณีการทำบุญประจำปีเพื่อความอยู่เป็นสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคนแต่ว่าคนจะคิดว่าไหว้เทวดาเป็นของไม่ดีเป็นเรื่องของท่านแต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนว่านนสติสิบการในพระกรรมฐานมีเทวดานุสติการนึกถึงความดีของเทวดาไว้ด้วย ฉะนั้นผมจะเห็นว่าคนทังหลายเหล่านั้นเขาทำไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นิมนต์ผมไปมั่งผมก็ไปในเมื่อเขานิมนต์ไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนที่เขาจะไหว้ศาลเขาจะไหว้เทวดาเขาก็ไหว้พระก่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหว้และอย่างก็ไม่สาร เราผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดีการนาที่เขาไหว้เขาบูชาเขาสวดกันมันก็ใช้เวลาในเวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าวิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่เขาก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึก ว่ามีเทว ด, ดาสี่องค์เรื่องเทว ด, ดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านประกาศตัวท่านแถนบอกองค์นี้คือท้าเวสุวรองค์นี้ท้าทศรถองค์นี้ท้าวิรุฬหกนี้ท้าวิรุฬปักเป็นท้ามหาราชทั้งสีท่านมาท่านก็นถามบอกว่าถ้า <c oughs> คุณเจ้าสงสัยเรื่องปลลานทะเลทรัพย์ใช่ไหม เรื่องปลาในทะเลทรัพย์มาเป็นอย่างนี้ควมมันมีน้อง่หนองน้องใหญ่มีน้ำํำตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดีแต่ว่าปลาถ้า่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่สาบาแต่ว่าชาวบ้านก็ไปจับไปกินต่างโคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังไปทําไร่ไปทําสวนทุเรียนที่นั่น ให้ระวังความร่ำรวยจากหน้องใหญ่ที่มีปลามากปลาชุมและเกินผมเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอเอาเครื่องสูบสูบน้ำกวา่าเสร็จหลายเครื่องกัน้ํายอะแห้งกัวเวลาก็ย็นใกล้ค่าค่าแล้วไม่ใช่ใกล้ค่าเป็นใกล้ค่าเลยบ <c oughs> างคนได้เห็นปรามากมายคิดว่าวันพรุ่งนี้เถอะทุกคนตั้งแคมป์รอมาใครมาเอาไม่ได้แน่ เราหมายแต่ว่าพอตอนเช้าปลายกบปลาหายหมดเหลือปลายอยู่สามตัวนองนั่นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้านเคยไปที่ท่าไปที่ถ้าปลาถ้ำปลาเขาเล็กๆต่าๆเป็นถ้ำลงไปเธอบอกมันมีมีโชงลงไปเคยไม่ไปองต่อไปเห็นน้ำน้ำกว้างขวางมากไป่รู้ไปถึงไหนเธอเคยทําแพรโยกล้วย ลอยไปไม่รู้ว่าที่สุดไปที่ไหนกว้างขวาง ม, มากอันนี้พอเธอไล่ฟังเขก็สงสัยตรงนี้ว่าทะเลน้ําจืดอยู่ที่ใกล้ทะเลน้ําเค็มแล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากที่บอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงอันนี้แปลกใจใต้ดินเรองนี้สงสัยท่านธรรมราชนึงท่า น, นเตี้ยนท่านให้นามว่ า, ทาเทวสวร ว่าพระคุณเจ้าสงสัยะทะเลทรัพย์ใช่ไหมผมจะพาไปดูรวความนั้นท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกว่าตามความรู้สึกมันฝันว่าท่านไปไหนก็ไปด้วยกันลงไปดูโอ้ทะเลทรัพย์เขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลทรัพย์มันเป็นหนองน้าใหญ่แต่ไม่ใหญ่ถ้าปริมาณเขาน้น้ำจริงๆภายในนั้น <c oughs> มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ยก็มีเยอะผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่งปลาหมอแล้วเนี่ยปลาหมอตานาแเนี่ยโอ้โหใหญ่เหลือเกิน จ, กจะเทียบกับเรือภายกับเรือหมูขนาดใหญ่แล้วทั้งชี้ดูวฝูงปลาหมอ ก, ก็มากปลาตระมากปลาช่อนปลาสะดุกก็เยอะแยะปลาเขา้า โอ้มันใหญ่ใหญ่จริงๆยัานึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายุเป็นเป็นสิบหรือเป็นร้อยปีก็ยันนึกดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี้ปลอดภัยเธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปแล้วถ้าก็พาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลทะเลใต้ใตดินขึ้นไปช่วงในด้งวงภูเขาลูกหนึ่งที่มันยาวเหยียดอยู่เหนือเพื่อนที่ที่พัก เป็นหนุเขายาวมากเข้างในเป็นถ้ำใหญ่ยาวเหลือเกินเราในนั้นเป็นทองแท่งทองแท่งในความกว้างเขาความหนาเนะี่ของแต่ละแท่งประมาณหนึ่งฟุตยาวจริงๆประมาณสามฟุตแต่ละแท่งแล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเสร็จๆวางเปลียงเป็นตับเป็นกระแพงสูงเหนือหัวพวกปนไหน ความสูงจริงๆประมาณสิบเมตรวางเรียงกันจริงๆนับเป็นแถวได้สิบแถวได้ยาวยาวเกินแถวนะยาวเกินครึ่งกิโลเมตรเป็นทองแท่งมาสารเขาก็ตกใจเอ๊ะ ถ, ถามทองอะไรพอถามท่านเวสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่จะใครนํามาเก็บท่านท้าเวสุวรรณไม่ทันยตัตอก็มีเทวดาสององค์ไปเจ้าหน้าที่รักษา เป็นเทวดาชั้นเจ้าตุมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชร <c oughs> มาถึงได้ยกมือไหว้ท้าวเวสวรรณท่านบอกท่านเขารับทองนี่เป็นทองสําหรับพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาต้องขนไปให้เขาถ้าใครจะนาไปนั่นํานไปไม่ได้นะครับท้าวเวสุวรรณท่านก็บอกว่าฉันพาพระท่ามาดูฉันได้มาเอาล็อกขึ้นคนทองของเธอ เทวดาเดี่ยสองคนยกมือไหว้ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลีกไปท่านท้าวเวสสวรรณท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับในเมื่ออย่าของก็ห่วง <c oughs> ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้ทรัพย์ใต้ดินมันมีมากมากกว่านี้เยอะเราก็ไปที่อื่นดีกว่าเขาห่วงแล้วก็ไปท่านก็พาไปความรู้สึกว่ามันไปใต้ดิน ไปเจอเท้าอีแรงหนึ่งโอ้โหคราวนี้ไม่เคยจะไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชมพรไปจวกท่านเดินทางขึ้นมาประมาณสามสิบกิโลเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณไปกิโล ไปเจอแหล่งทองธรรมชาติมหาศาลเลยโอ้โหโไปกว้างใหญ่ไพศาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู่นั้นมันดูแล้วร้อยไร่เศษเกินถึงสองร้อยไร่และกองอยู่หนาเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริงๆสวยสุขอาิรามแต่วันดาท่านอย่างไร จะพูดอะไรกันไม่ได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลา ก, ก่อนเรื่องทองเรื่องเธอ น, น, นี้ไว้ฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุสมันเลนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี